มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกหยุดวันนักขัดตลเลิกสอบถามโทร 02-592-1991 วิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรีเอฟเอ็มเเมกะเฮิร์ตเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต ตัจางนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ Innovation for Life ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์กุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสวัสดีค่ะทุาผู้ฟังคะขอต้องรับเข้าสู่ Innovation for Life ค่ะ วันนี้ดิฉันกุณกิณิทองเง า, าพร้อมกับเรื่องราวนวัตกรรมเพื่ออินโนเวชันอีกแล้วที่นํามาปากกันผ่านทางเป็น 89.5 เฮอร์วิทยุราชมนุษย์แคนเบอรีเพื่อเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตวันนี้จะแนะนําให้คุณผู้ฟังรู้จักกับอินโนเวชันที่เรียกว่าเป็นการพัฒนาครีมบารุงผิวจากสารประจัดเมือกไข่นะคะโดย Dr. ด็อดร์ดวงฤทัยนิคมรัตน์ค่ะ ซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธรนครอีกสรกทูดหนึ่งเราจะได้พคุยกันค่ะ RmuTT Farm Shop ยินดีต้อนรับค่ะ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 ไลน์วันนี้แขกต้อนริบคือ Dr. ดรดวงดีไทยนิคมรัฐค่ะซึ่งอาจารเป็นอาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวันนี้เราจะพูดคุยกันเกี่ยมกับผลงานครีมบมำรุงผิวจากสารสกัดเนื้อไข่นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ<า>นี่เลยคะอาจารย์คะครีมค่ะได้ยินค่ะได้ยินชัดเจนค่ะอาจารย์คะครีมบํำรุงผิวจากสารสกัดเนื้อไข่อันนี้ชัดเจนถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย์ ใช่ค่ะมาจากเยื่อไข่ค่ะประจัดมาจากเยื<ะ>่อที่ไข่นะคะส่วนส่วนใหญ่จะเคยได้ยินแบบว่าแบอบกว่าเยื่อไข่แล้วก็ถ้าเป็นไข่นี่จะนำไข่ขาวมาฟอกหน้าเลยเดี๋นี้อาจารย์ <c ười> คิดค้นครีมบำรุงนะคะผิวจากสารประจักเ์ที่เรียไข่โคงต้องขอญาติถามเลยค่ะว่าอะไรที่เป็นแรงบัานดาลใจให้อาจารย์คิดค้นครีมบำรุงชนิดนี้ขึ้นมาคะได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะอาจารย์คะ ค่ะคือเริ่มต้นมมองนะคะว่าเออคนเราตอนนี้เขาเป็นยอดทิศเลยว่าการใช้คอลลาเจนอ่ะมาใช้เกี่ยวกับร่างกายเพื่อให้สุขภาพดีแล้วตัวเองก็มอ ง, มองว่าเออเราจะไปหาคอลลาเจนจากไหนได้แล้วคอลลาเจนสุดเริ่มต้นเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วก็รู้ว่ามันเป็นโปรตีนที่มีประโยชน์นะคะช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยเอ่อเรียกว่ากลับมาสุขภาพดีมีความยืดหยุ่นของผิวหนังแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราส่วนใหญ่มาจากการกิน มาจากการทาแต่ส่วนใของเราเนี่ราคาแพงไม่ว่าจะมาจากตรงส่วนปลาทะเลน้ำลึกหรือว่าเอามาจากตรงส่วนของไขกระดูกัตว์อะไรพวกเนี้มันก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากขึ้นวายแล้วตัวเองก็ไปเห็นนะคะว่าเออหลังจากที่เราออกชุมชนไปที่เอที่ชุมชนพันพันสามนะคะแล้วก็สำมานโงที่จังหวัดเพชรบุรีเราก็เห็นว่าเออตรงนั้นเกิดไขเยอะมากแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรเขาขอความช่วยเหลือมาว่า อาไปทําอะไรก็ได้ให้มันเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ไหมหรือว่าไปจำหน่ายอะไรเราบอกว่าเอ๊ะมันมีงานวิจัยเยอะๆจากต่างประเทศว่าเออมันมีโปรตีนเยอะเราก็เลยเป็นที่มาว่าเออเราน่าจะมาทําอะไรตรงส่วนนี้มันมีโปรตีนมันน่าจะมีคอลลาเจนนะก็เลยลองเช็คดูเช็คงานวิจัยดูแล้วมันพบว่ามันสามารถสกัดอากมาได้และประโยชน์ค่ะค่อาจารย์คะเรากระบวนการและขั้นตอนในการสกัดอาจารย์เขาจะบอกได้ไหยคะว่าต้องต้องมีกระบวนการอะไรอย่างไรบ้างคะ อในการทําเริ่มต้นนะคะเราก็ต้องเอาเปิดไข่มาก่อนนะคะแล้วก็ทําการเยี่ยงนะคะให้ได้ตรงเยื่อไข่ที่อยู่ข้างในซึ่งเวลาเราปอกไข่เนี่ยเราก็จะเห็นมี็นเส้ยื่อบางๆใช่ไหมคะตรงนั้นนะคะมีประโยชน์มากแล้วก็ตรงนั้นมาทําการทําความสะอาดก่อนเสร็จแล้วก็มาย่อยสลายเย่อยสลายแล้วก็จะได้สับที่เรียกที่เรียกว่าในโปรโตีนไฮโดรไลซ์อะไรพวกเนี้ค่ะและทั้งนั้นก็ใช้จุลินทรีย์พวกกลุ่มของที่เป็นเหมืนจะใช้ย่อยที่อยู่ในโยกิร์ตค่ะ เป็นพวกพลาสติกอบบลูมิเนียมไปย่อยมันให้มันเป็นโปรตีนที่ขนาดเล็กลองพวกเล็กลงเหล่านี้ต้ก็จะโดนทั้งคาร์บอนไดออกด้วยเปปไทด์อย่างที่คนเขนิยมเอาไปใช้ mm. แล้วก็ตรงนั้นไปทาความสะอาดไปทำให้เสร็จการแห้งทำให้มันได้ไรสื่อระายให้ที่ใหมันแยกคาร์บอนไดอนั้นมา mm. แล้วก็เอาจากตรงนั้นอะไปทำเป็นสารส ะ, ะด้วยน้าด้วย TEC อันนี้จะขาดยากนิดหนึ่งก็จะเป็นขั้น ง, ง่ายๆคือให้มันเป็นเบริสุทธิ์ค้งแล้วก็ถึงจะใส่เข้าไปในส่วนผสมของครีมันลุมลผิวอ่ะค่ะแล้วก็ปรับ pH ควบคุมอุณหภูมิในระหว่างขั้นตอนการทําให้ดีให้ชัวร์แล้วก็เช็คว่ามันไม่เป็นพิษต่อเซลล์แล้วก็ไม่มีการปนเปื้อนจลินซีแล้วก็ที่สําคัญคือมันมันมีคุณสมบัติที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเซล์เนี่ยเป็ความทัฟหรือความยืดหยุ่นแล้วก็อุ้มน้าอะไรแบบนี้ เช็กแล้วก็ค่อยลองไปใส่เลยคืนแล้วก็ทดสอบคือว่าคนเนี่ยใช้โอเคไหมเนี่ยค่ะค่ะอาจารย์คะไ ข, ขที่ว่านี่ต้องต้องเป็นไข่จริงหรือว่าผ่านกระบวนการอะไรมาก่อนไหมคะอาจารย์มันจำเป็นนะนนคะลา้างที่จะที่จะมีประเด็นปัญหามากที่เราคุยกับประชุมช น, ชนคือไข่ที่ได้มาเนี่ยตอนเราได้มาปุ๊บเนี่ยมันต้องเป็นต้องล้างให้สะอาดแล้วเราก็แช่โอโซนค่าเชื้อโรค ก, ก่อน ถ้าสมมุติเราลับมันจะชนชนจริงๆาจะต้องมีโรเขั้นตอนการกรจัดจารทำควาสะอาดแต่จะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ได้หมดค่ะโดยรวมแล้วไม่แตกต่างค่ะค่ะทีนี้ในส่วนของการการวิจัยเนี่ยค่ะไอไอเยื่อไข่ที่อาจารย์ว่าเนียค่ะอยากให้อาจารย์ขยายความอีกนิดนึงนะคะเรามันมันคือส่วนส่วนที่อยู่ติดกับตัวตัวตัวตรงเปลือกตรงเปลือกมัน ที่มันขึ้นไข่ทีมอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์มันเป็นเยื่อบางๆนะคะปกติเราเรากระเทาะไข่ออกมาเนี่ยเราจะเห็นออกมามันจะมีเยื่อแผ่นบางๆเหล่านั้นแล้วถ้ากระลีกบางนั้นอันนั้นเยื่อนั้นแหละค่ะถ้ามันยังชุ่มชื้นยังไม่แห้งเนี่ยมันมีคุณสมบัติสำคัญเหมือนเป็นโปรตีนหลักอย่างหนึ่งแต่ถ้าเปลือกไข่ข้างนอกเลยส่วนใหญ่ตรงนั้นจะเป็นพวกแคลเซียมซึ่งเราสามารถไปทำอย่าอื่นได้ตรงข้างในที่เป็นเยื่อไข่นี่ยแหะ แหลง่งโปรตีนเราสามารถแยกออกมาได้ด้วยวิธีหลากหลายมากเราแค่ทำลายข้างนอกใช้ความกดเป็นอะไรเล็กน้อยเราก็จะได้เยื่อมาแล้ว เ, เยื่อนี่มาทำกมมารย่อยให้มันละลายเท่านี้ยองค่ะมันมีประโยชน์ามากจรจริงคนจีนนะคะขเขากินทั้งไข่ทั้งเปลือกเลยเขาบอกว่ามีประโยชน์นต่อราาย ส่วนเราไม่ไม่เคยกันเนาะเพราะว่าเจอเปลือกโผล่มานี่นึงแล้วก็รีบเขียนจริงแล้วอคือป้าว่ามีประโยชน์ขนาดนี้อาจารย์คะแล้วบอกว่าในส่วนของกระบวนการเนี่ยค่ะพอพอแบบอาจารย์เรียกว่านํานําเลือดขายมามันต้องเป็นสกัดใช่ไหมคะกระบวนการตรวนี้รกระบวนการส่วนไหนคะที่ใช้เวลานานแล้วก็เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะเเป็นส่วนสําคัญแล้วก็ยากที่สุดนะคะอาจารย์คะ ยากที่สุดคือตอนย่อยให้มันละลายเราจะทํายังไงให้มันย่อยละลายแล้วโปรโตีนคงสภาพอยู่เพราะปกติเนี่ยถ้าเราใช้แค่ปล่อยไปเฉยๆใช้กดใช้ด่างก็จะย่อยออกมาแต่มันไปใช้มีมูลค่าเพิ่มไม่ได้เราจะทํำยังไงให้คนสมบัติของโปรโตีนนั้นว่าใช่ไม่ใช่เราต้องใช้จุลินทรีย์ใช้ปรับน้ำภูมิใช้ปรับสภาวะแล้วก็ต้องมาตรวจสอบเช็คดูว่าขนาดใช่ไหมเป็นคงสม บ, บัติ คอลลาเจนไหมอะค่ะตรงนี้จะยากนานจะทําอำประมาณทีสองถึงสามวันเลยแ ล, ล้วเราจะก็ต้องทําให้ประเมิสุทดินการไดไลซีดลแล้วโตโปรตีนยังคงสภาพอยู่แล้วก็ต้องมาเช็คอีกเครื่องที่เราใช้เช็คนี้เราก็จะต้องมามองดูว่าขนาดโปรตีนใช่ไหมมันไม่มันไม่มีการสลายไปไกลไปเป็นโมลกูลอ์อื่นๆไม่มีเจลินซีปนเปื่อนไม่มีอะไรไปย่อยมันนะคะ่ะอันนี้ยนานหน่อยต้องใช้หลักที่ว่าเต็ม อาจารย์ะะคะแล้วก็ต้องใช้ไข่กี่ฟองถึงจะสามารถาปั่นเป็นสานสกัดต่อครีมหนึ่งหนึ่งกระปุกนะคะถ้าเทียบแบบนี้ได้นะคะอาจาถ้าเทียบสันหนึ่งกระปุกเนี่ยไข่แป๊กห้าหกฟองเนี่ยเหลือเฟือแต่กว่าจะได้ออกมาเป<อ>็นาสารสกัดที่บริสุทธิ์เี่ยถือว่าเพียงพอได้ประมาณนั้นเพราะตอนที่ทําเนี่ยใช้ไข่เป็นประมาณแพ็คเนี่ยนะคะสักหกเจ็ดพัคอะค่ะ ต้องเทสทดสอบไปเรื่อยๆแล้วจำนวนปริมาณก็จะลดลงไปเรื่อยๆกวกาจะได้พิ่ใช้คําว่าสารที่ค่อนข้างสา ะ, ะ, ะัด<ฮ>แล้วบร<ฮ>ิสุทธิ์นะค่ะแล้วก็ต้องทําให้แห้งเป็นผงใช่จนานนิดนึง<ฮ>ค่ะค่อยๆทํา <laughs> โ, โอเคแหละอาจาราย์ถามอีกนิดนึงค่ะแล้วในส่วนของกลิ่มลนมั้งะคะอาจารย์ ถ้าระหว่างทำเป็นสาสกัดบริสุทธิ์แล้วเนี่ยกลิ่นจะไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าปัญหาตรนที่เริ่มต้นทำตอนที่ไปย่อยสลายเนี่ยมันจะกลิ่นเหมือนไข่ซึ่งโปรโตีนปกติแล้วพอตอนการระหว่างที่ทําให้แห้งแล้วกลิ่นมันก็จะหายไปอ่ะค่ะการทาให้มันแห้งด้วยวิธีการและเอสเท์ออกมาและหละจะค่อยมาเป็นส่วนปรผสมลงไปในส่วนของครีมอันนี้กลิ่นแทบจะไม่มีเหลือแล้วแต่สีมันจะออกเหลืองๆ อ, อ่อนๆ น, น, น, น, น, นวนลๆทนนะคะ อาจารย์สารสารสกัด อ, อ๋อ<า>ค่ะนะคะแล้วสารสากัดที่ได้จากเยื่อไข่เนี่ยค่ะที่จะต้องนําไปเป็นส่วนประกอบต้องบอกว่าเป็นส่วนผสมเป็นส่ประกอบของครีมเนี่ยมันจะออกมาเป็นเป็นลักษณะนะคะเป็นเป็นน้ําเป็นอะไรยังไงอะค่ะมันจะเป็นน้ําข้นๆเหมือนวุ้นๆนะคะมันจะเป็นลนาานักษณะแบบนั้นมันจะแห้งยากนิดนึงแล้วก็ต้องใช้วิธีเอดึงน้ําออกก่อน แล้วก็เติมน้ำไปอีกแต่การดิงน้ําแล้วออกน้ำเนี่ยเขาต้องระวังต้องใส่สารที่เป็นบัฟเฟอร์ไม่ให้โครงสร้างของมันเน่ยเสื่อมอันนี้ก็เป็นเคลิดลหนึ่งที่จะต้องค่อยๆเรียนรู้ทำอะค่ะเพราะเราต้องคงสภาพของตัวพวกเหล่านี้ไม่ให้มันแบบเสื่อมไปอะคะ่ะเพราะว่าของเหล่านี้ก่อนที่จะไปใส่ในครี่เนี่ยเราต้องระวังหน้าที่สุดคือ ม, มันจะต้องมีทําหน้าที่ที่จะไปช่วยทําให้เกิด เขาเรีย ง, ง่ายๆคือเหมือนคล้ายๆตัวที่กระตุ้นที่เกิดการสร้างคอลลาเจนมันจะต้องเข้าไปเซตทายเข้าไปไม่ใช่ออกมาเป็นเศษกรดอะมิโนโหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะทํางานได้ไม่ดีก็คือจะต้องสะอาดแล้วก็จะต้องเป็นคุณสมบัติที่ดีพอเราต้องเทคดีแล้วก็ระดับแรกเลยคือขนาดต้องใช้ที่เราทําตั้งแต่ต้นมาเรื่อยๆมันต้องไม่เปลี่ยนนะคะเราก็จะตัดเศษสั้นๆที่เป็นสกปรกออกเอาแล้วก็ใดอะไรสีมันออกนะคะให้ได้ขนาดค่ ะ, คะ อาจารย์คะเรากระบวนการขั้นตอนในการทดลองเนี้ยค่ะในการวิจัยนี้อยู่ในในขั้นตอนไหนแล้วค่ะคือตอนนี้ได้ลองใส่เข้าไปในครีมแล้วทดสอบหมดแล้วแล้วก็ลองพิชิทดลองไปใช้ดูบ้างแล้วแล้วก็มีคนติดต่อมาอยากจะให้ผลิตเป็นสเกลใหญ่ขึ้นอันนี้อาจจะต้องคุยกับทางทีมวิจัยที่เราโคกันกับของหมออื่ด้วยนิดนึงนะคะ และหลายจากที่เราทำออกไปที่เนี้ยเรากะว่าจะจ้างให้ OEM เป็นคนที่ทำแล้วก็ผลิตมาดูว่าจริงจริงผลออกล u n คลตลาดเนี่ยเราควรจะปรับในเรื่องของคุดไหนอีกดูเทสอีกประมาณนึงอะค่ะจะถามว่าการทำงานใช้ได้แล้วมีคนทดลองซื้อไปใช้บ้างแล้วค่ะแต่ยังไม่สเกลใหญ่เราขอพัฒนาไปเรื่อยๆอะค่ะค่ะอาจารย์คะกระบวนการตั้งแต่โหเริ่มต้นตั้งแต่การคิด ทดลองจนมาถึงสามารถนำไปทดลองใช้ได้จริงแย่ค่ะเวลาใช้เวลานานไหมคะอาจารย์ถ้าไปชันชกลับมาเนาะก็พยายามคิดอยูก่ก็สองสี่ห้าเดือนได้มั <c> ้ง <oughs> กว่าจะออกมาทดลองทำมันไม่ใช่แบบเราปุ๊บปั๊บเลยแล้วก็ลองกัดแย่ออกมาก่อนเ อ, อ้ยไม่เว่อร์โปรตีนไม่คยถึกใจก็เราไปดูในเปเปอร์ดูว่าอันไ่นเขาใช้อะไร แล้วก็ดูในพาทิ้นของต่างประเทศเขา<อ><ม>ไปทําอีกคูมหนึ่งเราลองสกัดวิธีง่ายๆของเราดีไหมเราไม่ใชเครื่องมืออะไรแบบแบบพิสดารแบบในอุตสาหกรรมเราลองนี้ได้ไหมแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆะคะ่ะอย่างขั้นตอนใดนอนะไรเสร็จเน่ยเขาจะมีเป็นแบบตัวแบบคล้ายๆเป็นซิลิกฟิลแล้วก็แยกตามขนาดไซส์มันกิโลเดลตันเลยเราเอาแค่ประมาณเท่านี้คัดออกของโปรตีนเอาเท่านี้พอไหมแล้วก็ลองไปเรื่อยๆแล้วเราก็ลองอันนั้นทําออกมา แล้วมาใส่ดูมันก็เวิร์คแค่นี้ก็พอมัง้งเราไม่ต้องถึงขนาดให้มันเล็กขนาดเป็นแบบเป็นกระชายสั้นขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้ากลับไปเรื่อยๆเพราะว่ามูลค่าของมันเนี่ยเราจะได้ราคาของที่มันไม่แพงมากอะค่ะแต่ว่าแต่คุณภาพดีเนาะไม่ใช่ใชแต่คุณภาพดีค่ะอาจารย์คะแล้วในส่วนของอลองไปทดลองกับตอนที่ทดลองใช้อ่ะค่ะผลออกมาเป็นยังไงบ้างคะ เป็นส่วนของครีมนะคะครีมที่ว่านี่ลินถามเลยว่าเป็ น, เ ป, นเป็นทาหน้าหรือทาผิวอะคะจันทาหน้าเลยค่ะบารุงผิวหน้าเลยค่ ะ, คะเพราะว่าอย่างหนึ่งค<อ>ือ<ด>ที่เขามีถ่ายคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นคอลลาเจนทาหน้าแล้วเขาบอกว่าทาแขนทาตัวได้แต่ทีนี้ถ้าเราทําเนี่ยกะว่าสเกลเล็กเติมสารปริมาณเท่านี้คํานวณดูแล้วเราแบบ ยังปั่นตอนนี้ยังไม่ถึงขนาดที่ว่าทําให้ปั่นเป็นแบบนาโนแต่เรากะว่าต่อไปอาจจะทําเป็นแบบเอแคสเซเลตให้มันเป็นเล็กๆ เ, เยื่อแล้วก็แบบใส่ไปค่อยๆปล่อยออกมากะว่าอย่างนั้นมันจะได้เพิ่มประสิทธิภาพของการที่จะเข้าไปซึมผิวหนังเพิ่มขึ้นอีกเพราะตอนนี้มันรักษาความชุ่มชื้นได้ประมาณหนึ่งและเขาก็รู้สึกเอชอบในรษณะเออเมื่อผิวทันมันยืดหยุ่นดีนะเะมื่อผสมกับการที่เขากินบัมบลุงแล้วเออมันมีความแตกต่างเพิ่มขึ้นอีกผิวไม่หยาบเนาะ แต่บางคนก็ขอให้มันมีความเป็นน้ำมันเพิ่มขึ้นอีก<ม>อะไรเงี้ย<ม>คือต่างคนต่าง ม, มองแต่ออกมาดูแล้วก็บอกเออมันดีทั้งคู่อะค่ะค่ะตัวมันมีประสิทธิภาพแต่ว่าเท็กซ์เจอร์ต้องมีการปรับอีนิดน้อยอะค่ะค่ ะ, คะแต่ก็ต้องบอกว่าผลงานของอาจารย์เนี่ยได้เผยแพร่ออกไปแล้วตอนนี้ก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าก็เริ่มมีคนติดต่อเข้ามาให้เรียกว่าปรับรุงผลิตภัณฑ์หรือว่าทําจําหน่ายเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์ แล้วเด็กก็ไปลองใช้คือใช้กับที่บ้านอเองแล้วก็มีเด็กแถวบ้านคือสาวๆเขาก็เอ่ออยากจะไปลองใช้ดูแล้วก็ลองไปดูซิแล้วก็อือเขาก็บอกว่าโอเคนะคะอาจารย์แต่ว่าขอเป็นว่าคือเขาจะไปผสมกับไใ้พวกเอโลชั่นนิดนึงเขาต้องการให้มันแบบว่าติดหน้าบางๆแล้วเป็นลักษณะคือมันมันเราเตรียมเตรียมทาไปมันค่อนข้างข้นนะคะแล้วจากตรงนี้ที่ข้นเนี่ยมันคือไปเจอจางเป็นอาจจะเป็นพวกโลชั่นหรือเป็นตัวครีม ที่เป็นแบบหนาหน่อยสำหรับผู้ใหญ่อาจจะชอบแต่สาหรับเด็กเล็ก็ขาขอเปอ็นนิดเดียวค่ะใช<า>่ใช<า>่<า>แต่ค<า>แปะ<บ>นิดเดีก็พอค่ะแล้วไปผสมกับโลชั่นอย่างเงี้ยแล้วทำข้นเป <c oughs> น้นของตัวเนื้อสารนะคะก็จริงๆแล้วก็กน่าสนใจมากนะคะสารก็ปากติแล้วเนี่ยไข่ขาวแล้วก็ต้อบอกว่าวสาวๆเนี่ยต้องเคยผ่านการนาไข่ขาวมามาพบหน้ากันอยู่บ้างแล้วเนาะ เราต้องเราอรู้อยู่แลว่าเลยนะคะอใช่ใเนี่ยอยากจะก็ก็อยากจะเป็นสาวกการใช้ครีมของอาจารย์เหมือนกันถ้าว่าอาจารย์สามารถพัฒนามาเป็นแบบว่าในรูปแบบเซรั่มนี่จะดีไม่น้อยนะคะอาจารย์คะโอเคโอเคได้ได้ได้สุดหนึ่งน่าจะปรับเป็นสีลั่มนั่นอีอย่างน่าสนใจเขาว่าเซรั่มที่ขายในเคาตลาดน่มันนะคาก็ข้างแพงค่ะอาจารย์แต่ถ้าเอาเนี่ยที่ไข่มาทาเป็นเซรั่มมันถึงเวิร์มากเลย ได้ได้ไดเดี๋ยว ไ, ไปเดี๋ยวลองอีกทีครับได้ได้ไดค่ะค่ะแล้วในอนาคตอย่างที่ได้ไดอาจารย์ได้บอกว่า ก, ก็ก็ตั้งใจว่าจะพัฒนาปรับปรุงให้เรียกว่าเป็นอินเทอร์พาริทมากขึ้นตอนนี้อาจารย์แล้วก็ทีมงานได้คุยแนวทางการพัฒนานานในส่วนของกรารผลักดันทีมมาลงจากเลือกไข่กันอย่างไรบ้างค่ะคือตรงนี้ยอย่างที่บอกอะค่ะเมื่อทีมออกมาเป็นตัว คอลลาเจนแล้วเราคิดว่าคอลลาเจนจะเสริมในเรื่องของอความยืดหยุ่นเนาะของการที่ให้เราชุ่มชื้นตรงครีมตรงนี้เป็นตัวที่เสริมเราน่าจะเสริมตัวอื่นๆอาจจะใส่พวกแอสคอร์บิก่อไปคือทำให้เป็นลักษณะของผิวที่กระจายสายอีกแล้วเราก็สนใจที่จะนำใบมี Me, หรือว่าสารพว ก, กอื่นใบเมี Me, ย่ยงเนี้ยค่ะเคยได้ยินไหคะใเราไปซื้อของที่อื่นค่ะ ซึ่งมีคุณสมบัติแอนตี้ออกซิแดนต์รูปลดในเรื่องของอความที่เป็นริ้วรอยแล้วยังต้องมีลักษณะคือให้ผิวกระจา่าแล้วก็ลดการที่เป็นจุดด่างดำหรือว่าประเภทหลายๆอย่างในมุมเนี้ยมันมีพืชสมุนไพรอื่นๆเราอาจจะเติมลงไปซึ่งเรากำลังวิจัยตรงส่วนเนี้ยจะทำให้ได้ตัวครีมออกมาหรื อ, อยัที่น้องอยากต้ซิลิมเนี่ย ถ้าเราทำตัวสารแล้วต้อสารสกัดให้มีคุณภาพแล้วเราก็เติมลงไปในตัวเนี้ยแล้วเพิ่มมูลค่าของตัวครีมเราให้มันดีขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ของผู้ที่ใช้เนี่ยอย่างเป็นที่ขึ้นเพราะก็เราเมื่ออายุเยอะขึ้นมันไม่ใช่แค่จะเพิ่มหน้าหรือวลอยเลยของใบยวนยังเป็นเรื่องแองจุดด่างดําความกระจ่างใสผิวพรรณที่ผองต้องการความขาวตัสารทั้งหมดเนี่ยควรจะเป็นสารที่เป็น สมุนไพรที่มันเป็นพุกพืชพุกเป็นอะไรที่ธรรมชาติแทนที่จะลดแทนที่จะไปใช้ส า, สารเคมีค่ะลดการที่ว่าจะเป็นโรคเป็นมะเร็งเป็นปัญหาเหล่านั้นลงไปควรจะมุมอมองเปลี่ยนมาเป็นใช้สารธรรมชาติ นี่เละค่ะนวัฒกรรมที่หนึ่งไทยทำไทยใช้นักวิชาการไทยของเรานะคะได้พัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าปัจจากสารเคมีแล้วก็โอ้เป็นเรื่องใกล้ตัวคือนำไข่ไม่หละที่เราประทานกันได้ว่าจะไข่ไก่ไ ข, ไข่เป็ดก็ได้นะนะาพัฒนาเป็น เรียกว่าเป็นครีมบำรุงผิวหน้าของพวกเราก็คาดว่าในอนาคตจะได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่จะได้พัฒนากานนะคะก็อาจเป็นได้<ม>โอกาสได้ใช้แล้วก็จะเป็นกําลังใจและก็ติดตามผลงานทนีต่อไปของอาจารย์อยากให้อาจารย์สรุปอีกสักครันึงค่ะอาจารย์คะเกี่ยวกับว่าคิดประสงค์หลักที่อาจารย์ได้พัฒนานวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นรวมถึงความคาดหวังของอาจารย์ด้วยค่ะคือในงานที่ทำเนี่นะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าว่าคิดประสงค์หลักจริงอะ่ะ เราอ่ะเริ่มต้นอ่ะเราดูที่มูลค่าของของว่าของที่มันไม่มีไม่มีค่าในการนาไปใช้เนีแต่จริจริงมันมีคุณค่าในตัวของมันแล้วของเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถพัฒนาเป็นอะไรได้บ้างในมุมมองของตัวเองเนี่ยเริ่มสนใจในผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกเครื่องสังเครในเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อธรรมชาติเพื่อตอบโจทย์ของผู้บริโภคที่ตอนเนี้ลหลงใหลมากอยากได้มากคือเพื่อสุขภาพของตัวเอง โดยหลักเนี่ยเราจะสามารถใช้อะไรที่มันเป็นของที่มุมมองเนี่ยให้เกิดประโยชน์แล้วตัวเองเป็นคนที่ชอบหาสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มาประยุกึ์ใช้โดยที่มันสามารถทําได้โดยหลักการที่ตัวเองเรียนมาตัวเองถนดัดในด้านมุมที่จัดเอ ก, ส, กาสารทดสอบจุลินทรีย์ทดสอบคุณสมบัติและได้เป็นผลิตภัณฑ์แล้พยายามที่จะคิดตรงจุดนี้เลยมองว่าคอลลาเจนตัวเนี้เป็นยอดทิศ แล้วสามารถได้จากไข่ที่มันเป็นส่วนไหนส่วนเปลือกไข่ที่เขาเหลือชิ้งแล้วไข่ตอนแรกเริ่มทําเนี่ยจําเป็นต้องเป็นออแกนิกเราลองไปดูไข่ที่ไม่ออแกนิกล้วก็ลองมาสกัดดูนะคะแล้วก็พบมันก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นจากไข่เนี่ยเราสามารถทําอะไรเป็นเกิดมูลค่ามีประโยชน์ได้มันน่าที่จะทํานะคะเพราะฉะนั้นมองแล้วว่าวัตถุประสงค์ของตรงนี้ยอยากจะให้พี่คนกลับมามองว่าอะไรที่มีคุณค่าในบ้านเนี่ยถ้าสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นได้เนี่ย เราน่าจะช่วยส่งเสริมกันเอาผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยมาใช้ใครทําอะไรที่มันเป็นธรรมชาติส่งเสริมในการที่จะช่วยใช้กันแบบนี้ดีกว่าจะใช้พวกสารเคมีที่ซื้อมาแพงเพราะมันมีสารที่เป็นพิษเกาคริ ด, ดไม่ต้องเน้นที่ห้องที่คุณภาพเป็นอ่อะค่ะก็ข <c oughs> อบอกว่ามันมีทางไปได้เรื่อยๆถ้าคนเรามองให้กว้างๆของผลิตภัณฑ์รอบตัวทุกอย่างไม่ใช่แค่เครื่องสําอางค่ะ อยากให้มองสิ่งที่เป็นธรรมชาติเข้าหาตัวค่ะค่ะค่ะอยากจะหากว่าใครที่ฟังแล้วทั้งสองคนนี้อยู่นะคะมีข้อสงสัยหรือข้อคำถามที่เรายังไม่ได้มาพูดคุยกันหรืออยากจะ เ, เห็นตัวผลิตภัณฑ์หรือจะสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมจะติดต่อได้ที่ไหนยังไงคะอาจารย์คะค่ ะ, ค ะ, คะได้ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพนคร ก็ที่ตัวเองเลยค่ะชื่อดวงดูไทยนิคมรัตแล้วก็เบอร์โทร0811674241ค่ะก็ติดต่อมาได้ค่ะอืมค่ะก็ขอบคุณขอบคุณอาจารย์ค่ะที่ได้พัฒนานวัตกรรมดีๆแบบนี้ออกมานะคะก็ต้องบอกว่าเป็นงานวิจัยเป็นงานนวัตกรรมที่ในปัจจุบันนี้นักวิจัยไทยของเราก็ได้พัฒนางานไม่ขึ้นที่อนึ่แล้วงานของอาจารย์แต่ละชิ้นที่ออกมาขึ้นข้างค่ะ สา ม, มารถนํามาใช้ประโยชน์ได้จริงๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ติดตามผลงานของอาจารย์แล้วหวังว่าจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆที่ทำมาจากธรรมชาติแบบนี้ขอบคุณดรดวงฤทัยนิคมรัตนค์ค่ะอาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครค่ะซึ่งอาจารย์ได้พัฒนาครีบมบํารุงผิวจากสาส ก, กัดเลือดไข่ขอบคุณค่ะอาจารย์ขาค่ะเป็นแม่ค่ะค่ะ ค่ะวันนี้เวลาของทางรายการ Innovation for Life ก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันคุณกิณณนิททองนาวพร้อมด้วยดรดวงฤทัยนิคมรัตน์ก็ต้องขอลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการ Innovation for Life สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมหาวิทยายลัยแห่งนวัตกรรม